นี่คยรายการทมและทัศนชิวิตนะครับผมว่าสินีทศระมาพบกับท่านผู้ฟังก็ยังคงคุยกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องพระรัตนใจพระพุทธคุณเมื่อวานนี้พูดพระพุทธคุณตกไปข้อหนึ่งนะครับพอพูดจบแล้วฟังเทพดูถึงนึกได้ว่าขาดไปข้อหนึ่ง เกี่ยข้อที่เจ็ดว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังข้อที่หกก็ อ, อนุตรโรธปุริสธรรมสารถิทรงเป็นสารถิฝึกคนที่ควรฝึกก็พูดข้อนั้นยาวไปหน่อยนะครับแล้วก็ลืมลืมข้อเจ็ดอาพุ่งไปข้อแปดเลยข้อเจ็ดก็คือศรัทธาเทวมนุษย์สานังแปลว่าทรงเป็นครูคือศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็ขอพูดซ้ำเสียวันนี้นะครับขอพูดทบทวนเสียวันนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอีกประการหนึ่งคือทรงเป็นครูหรือศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่เพียงแต่ของมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าทรงเป็นครูของเทวดาด้วยเทวดาทุกชั้นก็เคารพนับถือในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นครูผู้สอนถ้าเป็นเทพถ้าเป็นเทพพระองค์ก็เป็นวิสุทธิเทพซึ่งถือว่าเป็นเทพที่สูงสุดในบรรดาเทพทั้งหลายในศาสนานี้ก็จะเทพเอาไว้สามยำพวกคือสมมติเทพเทพโดยสมม ต, เมมติเช่นว่าพระราชามหากษสัตว์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสมมติเทพเทพโดยสมมติ เป็นมนุษย์แต่ว่าสมมติว่าเป็นเทพทีนี้ก็อุปัตติเทพโดยเทวดาโดยกําเนิดก็คือว่าได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้มากแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาก็เรียกว่าอุปัติเทพโดยเทวดาโดยกําเนิดอีกประเภทหนึ่งก็คือวิสุทธิเทพได้แก่ท่านผู้เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ โดยสูงก็หมายถึงระดับสูงก็หมายถึงพระอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพระอาจานย์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาจานย์ทั้งหลายกรเป็นบรมครูกรเป็นมุนียิ่งกว่ามุนีก็เป็นมหามุนีกระพวกเทวดาเป็นจํานวนมากที่ได้อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เลื่อนชั้นสูงขึ้นไป แลล ว, ว่าได้สำเร็จมากผลตอนเป็นเทวดานั่นเองนอกจากนั้นก็มนุษย์เป็นนั้นมากที่ได้อาศัยครรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วเขาก็ระลึกระลึกถึงว่าที่เขามาได้สมบัติที่ดีเช่นนี้ได้เพราะอะไรได้เพราะใคร เขาละลืมใจว่าได้เพราะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาจึงเคารพพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นครูเทวดาทั้งหลายก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าอยู่เสมอตามภาษิตที่ว่ามนุษย์สภูตังสัมพุตังอัตตันตังสมาหิตังเดวาปีนางนามสันติพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นมนุษย์มนุษย์สภูตังสัมพุทตัง พระสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นมนุษย์อัตฉรดันตังทรงฝึกพระองค์แล้วสมาฮิตังมีพระไถมั่นคงเดวาาปีนังนัมัสสันติเทวดาทั้งหลายยอมนอบน้อมพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็ยังมีคําสันเซิญต่อไปว่าคำมุนาปีประสังสีโตแม้แต่พรมก็สันเริญเพราะว่าเทวดานิยมพรมสันเริญเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ มีศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณทัศนคันซึ่งไม่มีใครในมนุษยโลกเทวโลกพระพรหมโลกที่จะเสมอเหมือนเพราะฉะนั้นทั้งเทวดาและมนุษย์ก็เคารพพระองค์ในฐานะเป็นครูเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามแว่าเนมิตกันนามพระนามที่ ไม่มีใครตั้งให้แต่ได้โดยพระคุณสมบัติว่าศรัท ธ, ธาเทวมนุษยหนังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมที่ตกจู่เมื่อเมื่อคืนนี้นะครับตกไปข้อนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็เป็นพุทธโธก็อธิบายแล้วพูดแล้วต่อมาก็เป็นพระขาวาทรงเป็นผู้มีมีพระภาคทีนี้ก็ตอนท้ายก็เวลามันจวนหมดก็เลยเร่งพูดไปหน่อย นึกว่าจะขอทบทวนดูสักครั้งหนึ่งคือว่าวันนี้จะพูดไปเรื่อยๆไม่รีบละจบแค่ไหนก็แค่นั้นที่ผู้ฟังต้องการจะให้พูดซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งหรือเพิ่มเติมก็คือเรื่องพระธรรมว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงพระนามว่าพระกวาที่แปลว่าเป็นผู้มีโชคหรือเป็นผู้มีพระคําคำว่าพระกวานี้เป็นคำรร ประเสรสูงสุดเป็นคำเรียกผู้ที่ควรเคารพในฐานะเป็นครู เ, เวลาท่านไปอินเดียหรือท่องเทีย่ยวอยู่ในอินเดียเห็นพระโฮมจีวันหรือะไรนี่เขาคนอินเดียจะเข้ามาถามว่าใครเป็นครูของท่านท่านเลื่อมใสธรรมของใครเขากว่าเรื่อมใสธรรมของพระพุทธเจ้าเขาก็จะใช้คําว่าพุทธภควานพุทธภควานก็คือภควานนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคานี้เป็นคําที่ประเสริฐแล้วก็เรียกเป็นคําเรียกผู้ที่เคารพในฐานะเป็นครูแล้วก็ประการที่สองเรียกว่าทรงมีพร ะ, ะธรรมพร ะ, ะธรรมคือธรรมที่ดีสำหรับผู้พระผู้มีพระภาคหกประการคือหนึ่งอิสริยะความเป็นใหญ่อิสริยะความเป็นใหญ่ ในที่นี้หมายถึงเป็นใหญ่ในประไทยของพระองค์เองเอาชนะพระองค์เองได้เอาชนะตนเองได้เมื่อเอาชนะตนเองได้มันก็ชนะหมดคนเราถ้าเอาชนะตนเองได้ก็ชนะหมดสังเกตดูว่าคนเอาชนะผู้อื่นได้เป็นร้อยเป็นพันแต่คนหนึ่งที่เขาแพ้คือว่าแพ้ตัวเองเอาชนะตัวเองไม่ได้แม่ทับนายกอง บังคับบัญชาคนเป็นอันมากแต่ไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวเองได้ต้องพายแพ้ความโลภความโกรธความหลงของตัวเองแพ้โมหะของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นผู้มีอิสริยะที่ว่านี้ก็คือว่าเป็นใหญ่ในใจของตนเอาชนะตนเองได้าเอาชนะตนเองได้แล้วก็เป็นใหญ่กว่าเทวดาและมนุษย์ การชนะตนเองเป็นสิ่งที่ชนะได้ยากกว่าการชนะสิ่งใดๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตาเวชิตตังสอยู่การชนะตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่าจายังอิตาลาปชาการชนะคนอื่นจะประเสริฐอะไรเล่าแล้วผู้ที่ชนะตนเองได้ก็เรียกว่าเป็นผู้สูงสุดในสงคราม ว่าเสวีสังขามชุตตโมเป็นผู้สูงสุดในสงครามสงครามก็สงครามทะเลาะรบกับตัวเองรบกับตัวเองแล้วก็เอาชนะได้ใช่ไหว่าเป็นผู้สูงสุดและเป็นยอดนักรบในสงครามสเวสังขามชุตตโมสังขามะชะสังขามะชุตตโมเป็นผู้ชนะในสงครามที่สูงสุด องนี้แล้วก็ประการที่สองประการต่อมาก็คือธรรมอิธรรมเก้าโลกุตตะธรรมเก้าก็คือมรสีปนสีแล้วก็นิพพานหนึ่งนี่ถ้าจะมีคนถามว่าโลกิยาธรรมมีเท่าไหร่โลกุตตะธรรมมีเก้าแล้วโลกิยาธรรมมีเท่าไหร่อันนี้ก็เคยตั้งปัญหาสอบเช่าเคยตั้งปัญหาสอบเช่าผู้ที่เรียนผู้ที่ฟังว่ารู้แล้วโลกุตตะธรรมมีเก้าโลกิยาธรรมมีเท่าไหร่ ก็คิดกันอยู่นั่นแหละนับกันอยู่นั่นแหละนับกันไปเยอะเลยเขาเรียกว่าปัญหาสอบเช่าถ้าคนมีเช่าดีหน่อยเขาก็ตอบได้ทันทีงบอกว่าก็นอกจากโลกุตรธรรมเก้าแล้วนอกนั้นก็เป็นโลกิยาธรรมทั้งหมดมันจะมีสักกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนอนะไรก็แล้วแต่เพราะโลกุตรธรรมมีแค่เก้านอกจากนั้นก็เป็นโลกิยาธรรมหมด ได้รู้คําตอบแล้วมันก็ตอบง่ายแต่ว่าเวลาถามจริงๆก็หาคนตอบได้ยากมัวไปงงอยู่เป็นปัญหาสอบชเช่าแต่อย่างว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นจะสู้หรือจะหนีอทําอย่างนี้เป็นปัญหาสอบชเช่ามันจะเมื่อความรู้เกิดขึ้นจะสู้ทุกข์หรือจะหนีทุกข์ขอให้ตอบตามอริยสัจ ต, ตอบตามแนวอริยสัจบางคนก็ตอบว่าสู้บางคนก็ตอบว่าหนี ผิดทั้งนั้นติดทั้งสองอย่างถ้าตอบตามแนวอริยสัจคําตอบไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอริยสัจ ต, ตอบว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้คือควรทำความเข้าใจไม่ได้ตอบว่าให้สู้หรือให้หนีอันนี้ก็ว่าตอบตามอริยสัจอันนี้ประการที่สามคือยศยศในที่นี้หมายถึงชื่อเสียงอันดีงามยศนี้มีความหมายหลายอย่างมีความหมายหลายอย่าง เรื่องยศนี่แต่ว่าอในที่นี้หมายถึงเกียรติคุณเกียรติคุณอันดีงามอไม่ได้หมายถึงยศที่เขาแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างนั้นอย่างนี้หมายถึงว่าชื่อเสียงที่ตีเกียรติคุณที่ดีงามมันก็มีบริวารยศเขาบริวารเกียรติยศก็เกียรติอิสริยยศก็ความเป็นใหญ่กว่าผู้อื่นแต่สิ่งที่จะยั่งยืนก็คือเกียรติยศ นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงมีพระเกรติยศพระบือไปว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเสด็จไปที่ไหนก็จะมีเกียตรติยศพระบือไปก่อนสมณพราหมณ์ก็มาเฝ้ากันแล้วก็พูดว่าพระผู้มีพระภาคกิตติสัตโตอภุแคโตว่าพระเกียรติยศได้ฟุ้งไปก่อนว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มาเฝ้ากัน ประการที่สี่พร ะ, ะธรรมประการที่สี่ก็คือสิริสิรินีแปลว่ามิ่งขวัญมิ่งขวัญความสงาา่าผ่าเผยความสง่างามทรงมีสิริมีมิ่งขวัญมีบุนสิริโภคานามาไโยสิริเป็นที่มาแห่งโพคะคนที่อยากมีโพคะก็ต้องทําตนให้มีสิริมีมิ่งขวัญมีความดีสิริโพคานามาไซโย สศีลเป็นที่มาของโภคะพราะคนที่ไม่มีศีลนี่ก็เรลําบากลําบากกับเรื่องโภคะโภคะนี่มีสองอย่างเหมือนกันนะครับอามิสโภคะก็หมายถึงทรัพย์สินสมบัติภายนอกแล้วก็ธรรมโภคะโภคะคือธรรมโภคะคือธรรมทีว่าศีเลนะโภคะสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภคะก็เพราะศีลถึงพร้อมด้วยโภคะก็เพราะศีล ความหมายตรงๆท่านหมายถึงท ร, รมโภคคกะคืออาศัยศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็ได้ทำแต่นี้ถ้าหมายถึงว่าทรัพย์สินภายนอกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ความหมายโดยตรงเป็นความหมายโดยออกเช่นว่ า, าเว้นอบายย ม, มุกาสาเสวียนงามในทางสุจริตปิดรูรั่วของทรัพย์สินคืออบายย ม, มุกแล้วก็ทําตนให้เป็นคนมีศีลมีบุญ มันสร้างสมความดีมีมิ่งขวัญแล้วก็เป็นที่มานอนของโพคะคือมาแล้วนอนมาแล้วไม่ค่อยไปแต่ล้ว่าฝักไฟยามใบยามุกแล้วมันมาแล้วมันไปหมดซับมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมามันไปหมดมันไม่อยู่มันไม่อยู่เหมือนกับทเาเหมือนกับที่ดอนน้ำมันไม่ขังจะต้องทาตนให้เป็นที่ลุ่มเอาไว้น้ามันจะได้ขังได้ น้ำจะได้ขังได้ทำตนให้เป็นที่ลุ่มเอาไว้น้ำจะได้ขังได้แต่ทำตนให้มีสิริมีมิ่งขวัญเอาไว้จะได้เป็นที่มาแห่งโพคะทั้งอามิสโ ส, สภโภ ค, คะคือทรัพย์สินไายนอกแล้วก็ธรรมโพคะโภคะคือธรรมแล้วก็มีความสง่าปราบเผยสงา่างามในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ อนี่นะครับประการที่ห้าก็กามะกามะในที่นี้ก็มีความหมายถึงว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วย่อมจะสําเร็จสมตามความประสงค์ในสิ่งนั้นแม้พระนามของพระองค์ก็ชิแปลอย่างนี้เหมือนกันพระนามของพู้เจ้าเดิมที่เป็นพระราชกุมารที่ว่าสิทธัตถะแปล ว, ว่าสาเร็จสําเร็จสมตามที่ประสงค์ ความประสงค์ใดประโยชน์ทันใดสำเร็จประโยชน์ตามที่ประสงค์พิธาธาในกามะในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์ต้องการหรือปรัชนาสัทญาย่อมจะสําเร็จความประสงค์ในสิ่งนั้นเราดูประวัติของพระพุทธเจ้าก็ได้พระท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่กระทำต่างๆทุกอย่างประสบความสําเร็จทุกอย่าง ปรัชนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นตัวมีมีมิม่งขวัญมีบุญแล้วก็ได้บําเพ็ญบารมีมามากบารมีก็หลากหลังไหลไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับมากมายอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งของพระธรรมแลวประการที่หกก็คือปยัตะประหยัะแปลว่าความเพียรพยายามพระพุทธเจ้าทรงมีความเพียรพยายามอย่างยิ่ง ่ยากที่จะหาผู้ใดมีความเพียรเสมอโดยพระองค์ทั้งตอนที่ทรงบําเพ็ญทุกข ก, กิจจ้าตอนที่ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงทําพุทธกิจและทรงบําเพ็ญพุทธกิจด้วยความเพียรพยายามไม่หยุดหยอดอันนี้เป็นพระคาถาหกประการนะครับที่ทําให้มีพระนามว่าพระขวารพระขวาแปลว่าเป็นผู้มีพระค่ อ, อมีพระค่ะทำ ทรงมีพระคัมภประการตามที่กล่าวแล้วนี้อีประการหนึ่งก็ทรงพระนามว่าพระชีพระชีไม่ใช่ภาชีนะพระชีพระชีนี่คือทรงเสพอริยธรรมมีศีลขันธ์นั้นประเสริฐเป็นต้นพระชีพระชะนี่แปลว่าครบนะครับประชะแปลว่าครบมาพระชีมีการครบการเสภอริยธรรมมีศีลขันธ์นั้นประเสริฐเป็นต้น อันนี้อีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือภาคีภาคีนี่แปลว่าทรงเป็นผู้มีส่วนเองจะถูก ป, ปัจจัยที่ทายกถวายแก่สมณะพระบรรดาสมณะที่เป็นผู้สมควรได้รับปัจจัยสมควรได้รับปัจจัยที่ทายกถวายพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้เป็นสมณะยิ่งกว่าสมณะหรือเป็นมหาสมณะ เอวังว่าที่ ม, า ห, า ม, มาหาสมณะพก็มหาสมณะตัดอย่างนี้พระองค์ทรงเป็นมาหาสมณะเพราะนั้นก็มีส่วนแห่งจตุปัจจัยที่ทายกจะนํามาถวายแก่สมณะเพราะถวายแล้วมีผลมากทำปัจจัยที่ทายกถวายแม้เพียงเล็กน้อยให้มีผลมากเพราะความที่ทรงอุดมไปด้วยพระคุณภากี น, นี่เรียกว่าภากี แล้วก็อีกอันหนึ่งคือวิพัตตวาวิพัตตวาแปลว่าทรงจำแนกธรรมรัตนะทรงจำแนกธรรมรัตนะก็ตลอดเวลาที่ทรงพระชนอยู่ตลอดเวลานั้นก็ทรงจำแนกธรรมรัตนะโดยตลอดนะครับตลอดพระชนสี่สิบห้าปีไม่ได้แจกอย่างอื่นนอกจากแจกพระธรรมแจกดวงตาแจกจักสุให้กับประชาชนแต่ผู้ฝังที่เคยลบกับ วันนี้ก็เวลาก็คงจะพอดเท่านี้นะครับก็ยังไม่จบยังมีข้อความที่จะต้องพูดถึงอีกสำหรับ เ, เรื่องของพระขาวาพระภูมิพระภาสสำหรับวันนี้ก็ขอยุติ้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอความสุขสวัสดีความเจริญเพื่มีแด่ท่านผู้ประทับรายการและท่านผู้ฟังทั่วไปโดยทั่วกัน